เรามีความรู้สึกตัวเรายอมรับอะไรได้บางอย่างเนี่ยใจเราก็สบายถ้าเรายอมรับไม่ได้มันก็งุดงิดอึดอัดคัดเคืองถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วทุกอย่างมันจะเป็นปกติไม่มีอะไรได้อย่างใจเราหรอกมีไหมไอ้ที่ได้อย่างใจเราจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกแม้แต่เราจะนั่งฟังอย่างมีสติแต่มันก็ไม่เกิดสติได้ง่ายๆมันจิตมันก็เลื่อนลอยเผลออินเข้ามาในธรรมะบ้าง หลือคิดไปบ้างออกข้างนอกเข้าข้างในใจมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนี้แหละนั่นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติถ้าเรายอมรับมันได้เนี่ยโอ้สบายเลยเราจะได้เห็นธรรมะในขณะฟังธรรมด้วยพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวมันก็คือชีวิตของเราคนที่ขาดความรู้สึกตัวเหมือนคนที่มีชีวิตเหมือนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ไม่มีชีวิตสาคัญนะเนี่ยจึงจะสรุปว่า ความรู้สึกตัวเนี่ยคือชีวิตแล้วเราจึงต้องเสริมสร้างสร้างความรู้สึกให้บ่อยๆอธิสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความจําเป็นเพราะว่าของเราทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วทุกคนมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วมีสติอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณทุกคนมีแต่ว่าสติตัวเนี้ยมันไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวเราสังเกตไหมเรามักจะรู้แต่ข้างนอกรู้แต่ข้างนอกแต่ไม่ค่อยรู้จักตัวเรา ไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจรู้แต่เรื่องข้างนอกการฝึกให้มีความรู้สึกตัวเสม อ, เ, สมอเป็นการสอนจิตก็ว่าได้หรือสร้างความเคยชินให้กับจิตที่จะกลับมารู้ตัวเรารู้ตัวเราสร้างความเคยชินให้เขาการสร้างความเคยชินคือการสร้างเหตุปัจจัยให้จิตมันกลับมารู้มันกลับมารู้อย่าออกไปรู้ ถ้าออกไปรู้มันก็ออกไปหลงถ้ากลับมารู้มันก็จะมีความรู้แล้วมันก็จะมีปัญญาเกิดจากความรู้จักตัวเราสิ่งต่างทั้ ง, งปวงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดออกไปจากจิตเราทั้งนั้นทุกอย่างวิจิตพิสดารแล้วก็ตามออกไปจากจิตใจคนนั้นถ้าเราอยากจะรู้โลกทั้งโลกโลกนี้โลกหน้ารู้ที่ใจเราเถอะเราจะรู้โลกข้างนอกรู้ใจเราก็รู้ใจคนอื่น เราอยากจะรู้ใจคนอื่นต้องเรียนรู้ใจคนอื่นจากใจของเราใจมีพื้นฐานเหมือนกันความบริสุทธิ์ผุดพองมันเริ่มต้นเหมือนกันหมดแต่ทำไมบางคนจึงไม่รู้จักใจคนอื่นเพราะว่าเขาไม่รู้จักใจของตัวเองเพราะนั้นอยากจะรู้ใจคนอื่นดูใจเราเถอะธรรมชาติเหมือนกันจะบอกว่าพยายามสร้างเหตุปัจจัย สร้างความคุ้นเคยสร้างความเคยชินสร้างอนุสัยให้มันรู้สึกตัวอนุสัยเป็นสิ่งที่หมักดองนะแต่ว่าหมักดองความรู้สึกตัวไวเนี่ยมันไม่ผิดนะให้มีขึ้นมากๆต่อเนื่องกันนานๆเดี๋ยวมันจะมีผลอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันจะตื่นตื่นออกมาจากความหลับไหล ความง่วงเหงาความซึมเศร้าความเศร้าหมองซึมเศร้ามันอยู่ไม่ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวมันทำให้จิตมันตื่นโพล่งตื่นโพล่งออกมาจากความง่วงเหงาเหานอนความรู้สึกตัวทำให้จิตตื่นออกมาจากความคิดปรุงแต่งมันตื่นออกมาจากความคิดปรุงแต่งได้เมื่อมีความคิดปรุงแต่งความรู้สึกตัวไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าความคิดปรุงแต่ง เปิดเปิดช่องว่างให้ความรู้สึกตัวมาแล้วก็มันแหวกเลยนะความรู้ตัวเนี่ยมันแหวกออกมาจากโลกของความคิดได้ทันทีเลยอิสระทันทีเลยทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวความหลงลืมตัวจะไม่เกิดขึ้นจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าเรากาลังทาอะไรกำลังคิดอะไรผลที่ตามมาก็คือความสดชื่นเบิกบานความสดใสจะเกิดขึ้น อยู่ในความรู้สึกตัวมันจึงมีบทว่าไม่รู้ต้องมีการตื่นถ้ามีการตื่นต้องมีความเบิกบานในความตื่นมันตื่นจริงๆตื่นแล้วต้องเบิกบานไม่ตื่นแล้วงงเครียดตื่นแล้วต้องเบิกบานความเบิกบานนี้ก็ไม่อยากจะเรียกว่าความสุขนะความสุขดูหนังก็สุขนะแต่บางทีมันไม่เบิกบานความเบิกบานเนี่ยเป็นความอิสระทางจิตทางใจทําให้สุขภาพจิตดีเพราะฉะนั้น ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่คือชีวิตได้อย่างไรชีวิตมันต้องเบิกบานจึงเรียกว่าชีวิตชีวาชีวิตชีวามันต้องเบิกบานนะแต่ถ้าหากว่าเราขาดความรู้สึกตัวมันจะมีเกิดขึ้นคือความหลงลืมตัวเมื่อหลงลืมตัวเมื่อไหร่แล้วก็มันอันตรายแล้วจิตมันก็จะครุ่นคิดไปในเรื่องที่คุ่นคิดสิ่งที่ค้างคาใจมา ตั้งแต่อดีตมันก็เก็บเอามาคิดนะมันสนุกเก็บเอามาคิดเพลินอยู่กับเรื่องอดีตวิตกกังวลหวาดระแวงน้อยเนื้อต่ำใจทีก็ท้อแท้หมด ก, กาลังใจอาฆาตพยาบาทอารมณ์ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราขาดความรู้สึกตัวถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วมันเกิดไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความคิด เป็นทุกข์เพราะอารมณ์ที่เราปรุงแต่งก็เรียกว่าติดความคิดติดอารมณ์คาว่าติดคือความยึดมั่นถึงมั่นนั่นเองเป็นชีวิตที่ไม่มีชีวาไปมีแต่ชีวิตมันไม่มีจิตมีใจเพราะขาดความรู้สึกตัวแเป็นทุกข์เพราะความคิดคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องอื่นหรอกเรื่องความคิดทั้งนั้นความคิดนำความยึดมั่นถือมั่นมาสู่จิตสู่ใจมันไม่ปลอดภัยนะถ้าปล่อยให้ความคิด มาเป็นเจ้าของชีวิตเราพูดถึงความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะที่มันปรุงแต่งโดยที่เราไม่ได้เชื้อเชิญเป็นแขกหน้าดำที่เราไม่ได้เชิญเข้ามาเยี่ยมบ้านเราแขกหน้าขาวคือแขกที่เป็นบุญกุศลนะมาเถอะถ้าแขกหน้าดำจอนมาแล้วก็ระวังให้ดีเห็น ไ, ไหมมันจอมมาสู่จิตแล้วก็จิตล้วก็ดามืดแล้วก็เพลินไปกับแขกที่จอนมา ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะตัดพวกนี้ได้หมดเลยมันไม่มีตัวตนนะความคิดเนี่ยโอ้แต่เราก็เห็นว่ามันมีอิทธิพลกับเรามากเราเชื่อเชื่อความคิดเชื่อการปรุงแต่งทั้งที่ไม่อยากเชื่อแต่ด้วยความเคยชินที่เราใช้ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดคือไปตามความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดความคิดมีสองอย่างคิดแบบไม่ตั้งใจคิดกับคิดแบบตั้งใจคิด และทุกวันนี้เราใช้ความคิดอันไหนมากถ้าเราตั้งใจคิดเนี่ยโดยตั้งคิดอย่างมีสติต้องใช้นะความคิดนะมีชีวิตที่ไม่มีความคิดนี้ไม่ได้แต่ว่าเราใช้ใช้ความคิดวางแผนแก้ปัญหาพวกนี้คือความคิดที่เราตั้งใจคิดแต่ลนั้นเลยมีประโยชน์แต่เราลืมไปว่ามันมีความคิดที่จอมามันมีอีกหนึ่งความคิดแต่เราก็ไปเชื่อตัวนั้น เช่นเราวางแผนว่าวันนี้จะทำอะไรอ๋อนี่สติเกิดเลยนะใช้สติไปการคิดพอเริ่มทำปับ๊บเดี๋ยวจะมีความคิดปรุงแต่งแล้วอู้พอเถอะมันคงจะไม่ได้ผลคงจะไม่เวิร์กก็จะหาทางเลิกจเจริญสติหน่อยนึงอ๋อเลิกดีกว่าอันนี้เป็นความคิดที่จอนมาและเราก็เชื่อมันมีน้ำหนักมากมันมาที่หลังลืมอุดมการเก่าๆของเรา ที่จะทำในสิ่งนี้ความคิดทีแรกนะ่เป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ที่จรมาเนี่ยมันเป็นแขกที่เราไม่ได้เชิญแล้วความไม่ตกกังวลความหวาดระแวงแล้วเราก็เชื่อไม่พิจารณาดูก่อนเชื่อเลยมันเหมือนเซลล์ที่เราไม่ต้องการจะซื้อของเขาแต่เขามาเชื่อเชิญหน่อยก็ดีเหมือนกันนะราคาเท่าไหร่แพงไหมลดได้ไหมอ่าเข้าทางเซลแมนเลยเราก็ต้องซื้อจัได้เสียเงิน ก็กลับไปแล้วไม่น่าซื้อเลยนั่นเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดมันไม่มีตัวตนแต่มันมีอิทธิพลมากมันพาคนไปฆ่าตัวตายก็ได้พาคนไปทำร้ายก็หื่นก็ได้เพราะความคิดแบบนี้ไม่ใช่ให้รังเกียจนะให้เรียนรู้ให้เท่าทันว่าไอ้นี่ตัวอันตรายเป็นดาบสองคมแต่ที่จริงแล้วตามหลักสัจธรรมแล้วความคิด อะไรก็ตามมันก็คือความรู้สึกของจิตเรานั่นเองถ้าไม่มีจิตเนี่ยความคิดจะมีไหมความคิดเป็นเพียงความรู้สึกของจิตถ้าจิตไม่รู้สึกเท่ากับสิ่งนั้นไม่มีนะความคิดเป็นเพียงอาการของจิตที่ปรุงแต่งตามธรรมชาติเท่านั้นนะถ้าเราไม่มีความคิดตัวเนี้ยเท่ากับเราไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะ มีแต่จิตล้วนๆเแบาบสบายแต่เวลาความคิดมันจอมาเนี่ยเราไปให้ค่าให้ความสำคัญมั่นหมายมันจึงมีความหมายในใจิตใจเราถ้าเราไม่สนใจไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายเมื่อมันคิดมาแล้วปรเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติแต่เราไปให้ค่าความสำคัญมั่นหมายพอคิดมาปั๊บ เราไปวิาพากษ์วิจารณ์ไปหาเหตุหาผลหารายละเอียดเอาถูกเอาผิดมันก็เบ่งบานในใจเราใช่ไหมอย่างเช่นคิดไม่พอใจคนใดคนหนึ่งไม่พอใจเขาไม่เป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยจะมองคนในแง่พอใจก็ได้ไม่พอใจก็ได้แต่เรื่องพอใจเนี่ยไม่อยากจะพูดเอาตรงไม่พอใจเนี่ยมันกินใจเรานะักเพราะเกิดความไม่พอใจ มันไม่จบตรงที่ความไม่พอใจละโอ้มันคิดปรุงแต่งเลยเขาไม่น่าทำอย่างกับเราเขาไม่น่าเป็นคนอย่างนี้เขาไม่น่าจะเป็นคนที่เห็นแค่ตัวแบบนี้มันไม่เคยมีเราเลยมีแต่เขามันก็ทิ่มใจเราเป็นทุกขน์นะเขานู้นเขานี้ไอ้เขามันทิ่มแทงนะพะเราไปให้ความสําคัญมันหมายกับเขาว่าเขาเขาเขาเขา ไอเขาไม่เป็นไรหรอกไอเรา่็ถูกทิ้มทุกข์เพราะเขามาทิ้ม ใ, ใจเราเห็นไ่มเพราะเราไปให้ความสําคัญมั่นหมายกับความคิดไปปรุงแต่งต่อเติมเราจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญมั่นหมายในความคิดนั้นใจเราเนี่ยจะเหมือนไม่มีสิ่งนั้นเลยนะคิดได้นะแต่เรามีสิทธิที่ไม่เชื่อก็ได้ทําไมต้องเชื่อความคิดทุกความคิดใจเรานะห มันทำลายใจเราอย่างนี้แหละนะมันคิดมาแล้วก็ปไปมันผ่านไปมันก็จบอย่างเช่นเวลาเรานั่งอยูย่มีเสียงดังเสียงดังรอบข้างเนี่ยเสียงมันดังอยู่แค่หูนะมันก็จบอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราไปอึดอัดลำคาน เ, เสียงมันดังจังทําไมมาทําอะไรตอนนี้ <c oughs> เสียงมันก็ดังใน ใ, นใจเราะพอเราไปให้ความสําคัญมั่นหมายไปให้ค่ามันทั้งสองด้านเลยนะ ให้ค่าในด้านที่ไม่พอใจมันก็มีความหมายในใจเราถ้าให้ค่าในด้านพอใจมันก็มีความหมายทั้งอภิชชาและก็โทมนั้นนะทั้งสองอย่างเลยมาเข้าครอบงมใจเราสิ่งนั้นมันก็มีความหมายในใจเรามันก็มีน้ำหนักมันก็หนักกวงจิต่วงใจเราแล้วเราก็เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีตัวตนนะแต่มีอิทธิพลมากเรื่องของความคิดเ้องการปรุงแต่ง แม้แต่เรื่องของทุกขเวทนาทางกายความป่วยไขย้ความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นทาน้านร่างกายถ้าเราไม่ให้ความสําคัญมั่นหมายกับมันใจมันก็ไม่เป็นทุกข์นะความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้ามันเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่เราโอ้โหมันเป็นอะไรเนาะมันจะหายไหมเนี่ยถ้าหายไม่ทันวันนี้นี่เราแย่เลยเราจะไปทํางานอย่างไรแล้วใครจะเลี้ยงลูกเราแล้วโอ้โห เรื่องของความป่วยมันจบไปแล้วนะปัจจุบันเรื่องของความคิดมาปรุงแต่งต่อเลยเห็นไหมโอ้มันป่วยหนักป่วยทางกายไม่เพียงพอป่วยทางใจด้วยเกิดความทุกข์ใจซ้อนป่วยซ้อน ป, นป่วยดับเบิลป่วยและใจมันป่วยมากกับด้านร่างกายทุกข์มากเลยถ้ารู้ทันอ๋อนี่ร่างกายจะ่ได้ป่วยนะเอากินยาซะผากายไปหาหมอให้หมอรักษามันหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอก มันหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรมันก็ดีทั้งคู่ถ้าเรามันต้องหายไปหาหมอมันต้องหายและมันหายอย่างที่เราบอกไม่ต้องไปหาหมอหรอกมันก็หายเพราะเราอยากใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวางใจให้ถูกต้องกับสภาพร่างกายที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยวางใจดีๆไม่สาคัญมันหมายว่าเราป่วยแล้วก็ใจมันก็ไม่เจ็บไม่ทุกข์นะ ป่วยทางกายเวทนาทางกายจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามไม่มีผลทางจิตให้เป็นทุกข์ไม่มีผลนะแม้ที่เรากาลังนั่งเนี่ยนั่งไปตอะรูกสึกมันเมื่อยมันปวดมันเป็นเรื่องของกายใช่ไหมแต่ถ้าใจไม่ไปยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยมันก็ไม่หายปวดนะแต่ใจมันไม่ทุกข์เอาความไม่ทุกข์ไว้ก่อนเนี่ยแล้วค่อยๆแก้ไขไปเห็นไ่มใจก็ดีกายมันเจ็บใจก็ดี เหมืนเหมือนพินการแยกกายแยกจิตโดยธรรมชาตินี่อย่างผมเนี่แต่ก่อนนี่มุดหจิดมากไอ้ร่างกายพิการเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเดินได้เมื่อไหร่มันจะหายนั้งดีมันต้องพิการตลอดชีวิตมันก็ยังหวังให้มันหายพอมาเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคิดเลยว่า อ, อ๋อไม่หายก็ไม่หายกันให้มันไม่ต้องเดินแล้วอยู่ไปอย่างนี้ตลอดไปเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินแล้วไม่เป็นไรหรอก โอ้มันไม่สนใจกับกายอย่างเดียวใจมันสบายเลยมันสบายเลยเวลามาเจระสติเนี่ยมันมันมีแค่จิตอย่างเดียวแล้ะเรื่องของกายเนี่ยไม่เป็นเรื่องกังวลเห็นไหมลองทําอย่างงี้สิลองไปฏิบัติทําแบบคนพิการบางสิบางทีมันได้ผลนะคือได้ดูแลเฉพาะจิตใจอย่างเดียวเนี่ยเรื่องกายก็ปล่อยปลมันซะบ้างนะไม่ได้ทิ้งแต่ว่าพอสมควรกับมันเห็นไหมมันช่วยได้ ขึ้นอยู่กับใจเราเนี่ยไปให้ค่าให้ความหมายกับมันมันจึงมีความหมายในใจเราเป็นธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจแต่ว่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจเข้าถึงเลยเนี่ยก็อนุโมทนานะแต่ถ้าใครฟังแล้วยังต้องคุ้นคิดนี่มันเป็นไปได้เลยอันนี้อย่าเพิ่งหลุดพ้นฟังต่อไปก่อนแล้วก็ลองเอามาปฏิบัติ ด, ดูลาพังเพียงแค่การฟัง การนึกคิบดบางทีจิตมันไม่หลุดจิตมันไม่หลุดเพราะมันยังมีประสบการณ์มันยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงใจมันเฉียดใจแต่ไม่เข้าถึงจิตถึงใจมันเฉียดใช่ไหมถ้าเฉียดก็ได้แค่เห็นแต่ยังไม่เข้าถึงใจเนี่ยการฟังแล้วยังไม่พ้นก็เป็นอยน่างนี้แหละมันเฉียดใจคือเข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงจิตใจที่แท้จริงถ้าเข้าถึงจิตใจที่แท้จริงเนี่ย เวลามีความทุกข์มาเยือนมีอารมณ์มากระทบโอ้มันยอมรับมันทําใจได้โอ้นี่มันเข้าถึงจิตใจจริงๆริงธรรมะเนี่ยมันเข้าถึงจิตใจจริงๆยอมรับกับเหตุการณ์ได้โดยใจไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้ายังรู้แล้วยังยอมรับไม่ได้นี่มันแค่เฉียดนะเฉียดมาแล้วก็เฉียดบ่อยมากฟังทีไรก็เฉียดทุกทีแต่เวลามีอารมณ์มากระทบทีไรพังทุกทีแล้วมันธรรมะยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจ แต่ไม่เป็นไรหรอกธรรมะมีความเข้าใจหลายอย่างเขาจึงมีมสุตตมยจปัญญาจินตามัจจปัญญาภาวนามยจปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากการคิดนึกปัญญาเกิดจากการได้ภาวนาได้สัมผัสรู้ลงไปจริงๆเรายังมีทางเลือกไม่ต้องกลัวถ้าฟังแล้วเฉียดไม่เป็นไร ถ้าทำดูมันอาจจะเข้าถึงจิตถึงใจก็ได้ก็คือต้องมีการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นคําเชยๆนะปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติคือการกลับกลับอะไรกลับเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิคือกลับกลับเข้ามาเอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติธรรมคือการกลับเข้ามาดูตัวเราย้อน กลับเข้ามาดูตัวเราด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องให้จิตมันตื่นรู้ตื่นรู้ตัวเรามีอะไรมีสองอย่างก็มีเรื่องของกายกับเรื่องของจิตสองอย่างรวมกันเรียกว่าตัวเราเรื่องของกายเรื่องของจิตด้วยความรู้สึกตัว ลงไปที่กายที่ใจของเราอะไรก็ได้รู้สึกตัวก็คือธรรมะใช่ไหมรู้รู้ตัวเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะถ้ากลับมาดูกายดูใจเราเนี่ยถ้ากับเอาธรรมะมาใส่จิตใจเรามาใส่ร่างกายเรานะเป็นธาตที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะสแสวงหาธรรมะนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนทําความรู้สึกตัวธรรมะเอาเกิดขึ้นที่จิตใจเรารู้ลงไปที่กายก็ได้ ที่จิตก็ได้อะไรเกิดก่อนรู้ก่อนอะไรยังไม่เกิดอย่าเพิ่งไปรู้อย่าไปหารู้มันมันจะเป็นความคิดอะไรเกิดก่อนรู้ก่อนคือรู้สึกอาจจะที่กายเกิดก่อนร่างกายเกิดก่อนรู้สตัวลงไปที่กายรู้กายรู้ไปเรื่อยเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าเราไม่รู้กายเนี่ยจิตมันเลิดนะจิตมันก็เที่ยวเล่ล่อนเห็น ถ้าเรามารู้สึกตัวลงมาที่กายเนี่ยความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตแล้วมันก็ดึงจิตกลับมาดูกายมารู้ที่กายเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนเห็นไหมคำว่า เ, เครื่องอยู่นี่ชั่วคร้าวนะอย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปตรึงอย่าเข้าไปแน่นอย่าเข้าไปยึดอยู่แบบชั่วคราวแบบนเนี้ยเนี่ยสาราปันมีเนี่ยเนี่ยเรามาอยู่ชั่วคล้าวนะดีเราก็แยกย้ายกันไปการมารู้กายเนี่ยก็รู้แบบชั่วคร้าว เอากายมาเป็นเรียกวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนถ้ามันเกิดมีความคิดอ๋อเราก็รู้ได้อ๋อนี่มันคิดเนาะแล้วก็ทิ้งมันไปมันหลอกก็เยอะมันคิดแล้วก็ทิ้งมันไปอย่าเพิ่งไปตามดูมันมันคิดแล้วก็ทิ้งมันไปอย่าไปรอว่าเมื่อไหร่มันจะคิดเราจะได้รู้เนี่ยช่วงที่ระหว่างที่รอให้มันคิดแล้วก็รู้เนี่ยจิตมันลอยละมันคิดแล้วมันปรุงละมันหลงนะหลงคอยใช่ัหม ถ้ายังไม่เกิดอย่าไปหลงคอยอย่าไปหาดูมันนะมารู้กายเก็บเกี่ยวสติไว้ที่กายเอาเคลื่อนไหวก็ได้กระดิกนิ้วกระพริบตาลมหายใจก็ว่าไปหรือการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติกิิยาบทต่างๆก็รู้ที่กายถ้ามันคิดอ้อรู้รู้ทันว่ามันคิดแล้วก็ทิ้งมันไปมีสองอย่างง่ายๆความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนเป็นกลางกลางรู้ที่กายก็ได้ พร้อมที่จะวางเมื่อจิตมันคิดก็รู้ที่จิตพร้อมที่จะวางแล้วก็รู้ที่กายความรู้สึกตัวนี้ไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมานะรู้กายก็ได้จิตก็ได้คิดก็ได้คือไปเอื้อมรู้เฉยอย่าวิ่งไงนะถ้าวิ่งเนี่ยมันเข้าไปอยู่ถ้าวิ่งตามไปมันเข้าไปอยู่นะรู้แบบไม่ต้องวิ่งรู้แบบดู ด, ดูดูแบบแยกแยะดวงห่างรู้สึก ถ้าเพียงแค่เนี้ยจิตมันจะเป็นอิสระนะเห็นไหการมีสติรู้กายมันสามารถสกัดกั้นความคิดไม่ให้ทำงานต่อก็ได้รู้กายสกัดกั้นความคิดได้ถ้ามีสติรู้กายบ่อยๆเนี่ยมันตัดความคิดไม่ให้เกิดก็ได้คนที่จิตใจฟุ้งซ่านลองฝึกรู้กายดูสิเพราะกายมันไม่ฟุ้งกายมันฟุ้งไม่ได้ กายมีแต่เรื่องเวทนาให้ดูเทนั้นเรามารู้กายสิจิตจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านสติที่เนื่องด้วยกายเนี่ยมันคมมันชัดคมชัดมากเป็นการสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้ให้จิตมันตื่นเพื่อที่จะดูสร้างตัวรู้กับกายเพื่อที่จะดูก็กลับมาดูตัวเราดเดียวเดียวเป็นเครื่องมือที่ถูกลับอยู่เรื่อยๆให้มันคมอยู่เรื่อยๆเป็นการสร้างตัวรู้เพื่อที่จะดู เมื่อมีการดูมันก็ย่อมมีการเห็นดูแล้วเห็นถ้าดูแล้วเห็นเนี่ยเป็นวิปัสสนานะถ้าดูแล้วยังไม่เห็นเนี่ยยังไม่เป็นวิปัสสนามีไหมไหนขอดูหน่อยดูซิดูซิยังดูไม่เห็นถ้า้าดูแล้วเห็นเนี่ยเป็นวิปัสสนาแล้วดูแล้วเห็นเห็นอะไรเห็นรูปเห็นนามสติเนี่ยไม่มีอะไรละมีเพื่อจะให้เห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนาม เห็นทุกข์ของรูปเป็นทุกข์ของนามเห็นอาการต่างๆของรูปงนามเห็นธรรมชาติเห็นความคิดเริ่มแล้วมันเห็นไปเองเห็นความคิดเห็นจิตที่มันคิดเองเห็นจิตที่มันวางเองมันคิดเองไม่ได้ไปทอะไรมันก็วางเองไม่ได้ทําอะไรนะผู้เจริญสติไม่ต้องทําอะไรนะเห็นจิตมันคิดเองเห็นจิตมันวางเอง ไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็นเองเป็นเองไหมของมันเป็นเองไม่ต้องไปแทรกแซงเพียงแต่รู้ดูอย่างห่างไม่ต้องวางใจเป็นกลางมันเป็นกลางเองรู้เองเห็นเองบางทีจิตมันก็ไปรู้กายบางทีจิตก็ไปรู้ความคิดบางทีจิตก็ไปรู้เวทนาบางทีจิตก็ไปรู้ตัวมันเองมันทำหน้าที่รู้มันรู้เองแล้วมันก็วางเอง มันยึดมัน่นถือมันเองมันก็ปล่อยวางเองมันทุกข์เองแล้วมันก็วางเองจิตคนนี่เวลามีความทุกข์นี่มันอยากวางนะอยากจะสลัดความทุกข์ออกจากจิตใจถ้าเราไม่ต้องไปทำอะไรมันสลัดทิ้งออกสลัดออกเองแต่เราไปทำไมเราเป็นอย่างนี้มันเวรกรรมแล้วเราหนอเราไปผูกเอาไว้ไปผูกไปผูกความทุกข์ให้อยู่กับจิตใจเราไปสงสัย ทำไมไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อเทียนบอกว่าคนที่สงสัยเนี่ยคือคนอยากไม่รู้สงสัยคืออยากไม่รู้ถ้าเราอ๋อสักแต่ว่าอย่าไปให้ความสัำคัญนั่นหมายมันจะสลัดออกเลยคนใกล้ตายเนี่ยอย่าไปกังวลอย่าไปห่วงว่าร่างกายจะเป็นยังไงจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนอย่าไปกังวลจิตมันจะออกแล้วมันจะสลัดออกแล้วมันไม่อยู่กับกายหรอก แต่พอเราห่วงกายกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเจ็บเนี่ยไอ้ความเป็นห่วงเนี่ยมันยึดจิตยึดให้ติดอยู่กับกายเห็นไมมันเป็นตัญหาผูกมัดจิตให้ติดกับกายทั้นที่กายมันจะแตกจิตมันจะออกแต่เราไม่ยอมมันเห็น ไ, ไหมไม่ต้องกังวลนะโอ้เราไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บทำไมไม่กลัวเจ็บแล้วไม่กลัวตายบ้างล่ะมันไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บโอ้บางคนบอก ไม่กลัวตายแต่กลัวแกเพราะแก่นี่มันง่อยมันเซง็งมันก็ยังมีความกลัวอยู่ทีทุกอย่างมันจะแตกแยกก็ะฝอยเป็นธรรมชาติไปจิตเนี่ยเวลาเราจะละสติบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่ามันทำอะไรของมันเองหมดเลยมันจะรู้เองเห็นเองวางเองพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วมันก็ยาวแต่เวลาที่เราทำเนี่ยเวลาเราจะละสติหรือปฏิบัติรมเนี่ยมันย่อมมีอุปสรรคมีไหม อุปตักเนี่ยคือจิตมันไปสะดุดอารมณ์เขาว่าสะดุดนี่คือมันไปต่อไม่ค่อยสะดวกแล้วพอสะดุดแล้วต้องไม่สะดวกจิตไปสะดุดอารมณ์ทําไปอ๋อมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเกิดความอยากอยากสารพัดเนี่ยนี่จะเรียกมันเป็นภาษาธรรมว่ากามาลาคะก็ได้ความอยากความยีดีดจิตใจจิตไปสะดุดตรงนี้นะแล้วมันก็ติดอารมณ์ บางคนไม่อยากก็เกิดความไม่พอใจอึดอัดกัดเคืองเขเรียกพยาบาทตาทะคือพยาบาทมันก็มีนะผู้ปฏิบัติบางทีก็สลดหดหูง่วงเหงาซึมเศร้าคนปฏิบัตินี่มันต้องง่วงนี่ไม่ง่วงมันง่วงไม่อยากให้มันง่วงแต่มันก็ง่วงมันก็สะดุดความง่วงให้สะดุดความง่วงก็ดีนะสะดุดปั๊บนอนเลยสะดุดความง่วงมันมีปัญหามาก บางทีเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านเรื่องความคิดปรุงแต่งความสงสัยความขี้เกียจท้อแท้หมดกํลาลังใจอันนี้เป็นอารมณ์ที่จิตมันสะดุดทั้งนั้นนะเขาเรียกว่าอุปตรกแต่คนที่เจริญสติได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เลยนะอุปกรณ์การเจริญสติทั้งนั้นเลยไอตัวนิวรธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมานุ ป, ปัสนาสติปฐานเอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติเห็นไหม ได้ปัญญาจากสิ่งเหล่านี้แต่คนที่ยังเข้าไม่ถึงความรู้สึกตัวที่แท้จริงก็ต้องสะดุดไปก่อนล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอุปสรรคเ่าเนี้ยมันมีวิธีแก้ไขวันนี้จะบอกไม้เด็ดนะไม้เด็ดที่เอาไว้ผ่านอุปสรรคเหล่าเนี้ยแต่จริงไม้เด็ดเนี้ยมันไม่ใช่ของผมหรอกผมจำครูบาอาจารย์มาพูดแล้วก็เอามาใชา้ ฟังเข้ามามาใช้แล้วก็บอกต่อๆกันไปมันได้ผลถ้าฟังมาแล้วมาบอกต่อเนี่ยมันยังไม่ใช่ของจริงเราเอามาใช้ก่อนโอ้นี่มันเป็นไม้เด็ดให้คนอื่นเนี่ยอาจใช้ประโยชน์ได้หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนเนี่ยท่านให้ไม้เด็ดเด็ดเอาไว้ถ้าบอกเวลามียาติธรรมเนี่ยไปถามท่านเรื่องการเจริญสติเวลาทาไปเนี่ย มันมีอารมณ์แบบนี้แบบนี้หลวงพ่อจะทำอย่างไรเวลาทำแล้วมันเกิดความคิดมากจะทำอย่างไรเวลามันง่วงมากจะทำอย่างไงมันเบื่อมันเซ็งมากจะทำอย่างไรหลวงพ่อพูดประโยคเดียวว่าอย่าเข้าไปเป็นมันโอ้เนี้ไม้เด็กของหลวงพ่อนะอย่าเข้าไปเป็นมันโอ้วันนี้หนูเบื่อจังเลยเฮ้ยพ่อบอกเปลี่ยนใหม่เปลี่นใหม่ เป็นไหมวันนี้เห็นมันเบื่ออย่าเข้าไปเป็นมันวันนี้หนูง่วงเปลี่ยนหมายเป็นไหมอย่าเข้าไปเป็นมันให้เห็นมันดูมันแต่อย่าเข้าไปเป็นมันโอ้ประโยคเนี่ยจำไว้ใช้ตลอดชีวิตดูมันเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นมันโอเป็นไม้เด็กของหลวงพ่อแล้วพานตลอดเลยเป็นบทสรุปทั้งหมดของการจารนิสติอย่าเข้าไปเป็นมัน เพราะการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าหรือเพื่อปล่อยถ้าเข้าไปเป็นนี่เราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัติถ้าอย่เข้าไปเป็นมันเนี่ยแม้แต่นักปฏิบัติก็ไม่มีนะอย่าเข้าไปเป็นมันเนี่ยเันเป็นไม้เด็กที่ผ่านตลอดหลวงพ่อบอกมันเป็นฟรีเวย์ผ่านตลอดเลยลองใช้ดูสิอย่าเข้าไปเป็นมันอันนี้เป็นไม้เด็กของหลวงพ่อผมเองก็ได้ใช้บ่อยๆใช้ โดยที่ไม่รู้ตัวมากกว่าว่าเราใช้ไม้นี้เลยเพราะว่าได้ยินได้ฟังได้อ่านจากหลวงพ่อที่ท่านสอนได้ทำเวลาที่เกิดอุปสรรคทั้งหลายก็ตรงนี้น่ะพะวกอ่างนี่ที่ได้ใช้ตรงนี้เพราะว่ามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบนี้แบบเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็มีสติตามรู้เนี่ยเพราะว่ามันถูกความทุกข์นี่มันบีบคั้นที่ต้องหันมาใช้ชีวิตเดินอยู่บนเส้นทางธรรม ทุกบีบคั้นไม่มีทางเลือกมันก็เลยคิดว่าอ๋อนี่ถ้าเราขืนนอนเป็นทุกอย่างเนี้ยไปเนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์จนตลอดชีวิตแล้วสภาพร่างกายแบบเนี้ยช่วยตัวเองไม่ได้ร่างกายที่มันทุกบพลภาพแบบเนี้ยแล้วก็จิตใจที่มันคิดปรุงแต่งชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกมันอยู่ไม่นานอีไมิช่าจะต้องตายแล้วมันจะตายก่อนคนอื่นด้วย ความทุกข์นี่มันบันทอนชีวิตเราทุกวันทุกวันพอนึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเนี่ยจิตมันเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนเลยมันเฮ้เราจะมีความตายมาเยือดอีกไม่ช้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรทำชีวิตอย่างไรให้มันมีสาระมีประโยชน์กว่านี้มันมองหาช่องทางออกหาประโยชน์จะทาอย่างไรดีในช่วงที่เรายังไม่ตายเนี่ยช่วงนี้มันมีโอกาสแล้วมันเกิดความกล้าหาญนะ อ๋อกระหารที่ว่า้ทุกข์เพราะความพิการนี่เล็กน้อยมากแต่ทุกข์เพราะความตายนี่มันใหญ่หลวงเหลือเกินย่้ทําลองดูสิเวลานึกถึงความตายขึ้นมาเนี่ยไอ้ความทา ย, ยาที่ญาเนี่ยมันหายไปเลยนะความอยากได้ใครมีอะไรเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยตายไปก็เอาไปไม่ได้เวลาโกรธใครอาฆาตพยาบาทเครืองแค้นใครนึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวสิโอ้มันให้อภัยรีบให้อภัยเขาเลย พอตายแล้วจะอาภาัยไม่ได้เวลาเราทำในสิ่งที่ไร้สาระวันๆมันมีหลายอย่างกำลังทำสิ่งที่ไร้สาระเรานึกถึงความตายเลยเราจะรู้ว่าชีวิตเราทำแบบนี้มันจะมีสาระตรงไหนควรจะรีบทำทิ้งมีสาระมันนึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเนี่ยจิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะมันเกิดความกล้าหาญผมเองก็เช่นเดียวกันมันลืมความทุกข์ในปัจจุบัน ไปจับความทุกข์อันใหม่ที่ว่าจะมีความตายที่จะมาถึงตัวเรารีบหาทางแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้มีชีวิตที่ดีที่สุดจะทำอย่างไรในยามนั้นน่ะไม่มีอะไรดีเท่ากับการปฏิบัติธร ร, รมหรอกเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาชีวิตโดยตรงเป็นการดับทุกข์ทุกข์มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันต้องรีบดับทุกข์ก่อนเหมือนไฟที่ไหม้วัูนศรีรษะต้องรีบปัดรีบปัดกข์กันรีบปฏิบัติธรรมนั่นเอง มันดีตรงเนี้ยมีบางคนนี่เคยยศป่าสุกโตนะยายทําบางท่านนี่มีความทุกข์ไปอยู่ที่วัดเพื่อจะไปดับทุกข์ถามเขาว่ามีวัดทําไมบอกเขามีความทุกข์มากมาอยู่วัดเพื่อจะดับทุกข์ดับทุกข์ด้วยพิธีอะไรทำงานอ๋อทำงานมันก็ดับทุกข์ได้แค่ชั่วคราวนะเราลองเจริญสติลองภาวนาสิบอกเขาทํางานยังไม่เสร็จเลย ทำไมคุณต้องทํางานด้วยทําไมคุณไม่มาปฏิบัติธรรมที่แท้จริงทํางานการปฏิบัติธรรมใช่แต่ว่าอันนั้นไปปฏิบัติภายนอกทําไมไม่ปฏิบัติที่จิตใจเราละ่ะเรามีปัญหาที่ใจใช่ไหมเขาบอกว่ามันอดช่วยเหลือเขาไม่ได้ใช่ไหมอดช่วยไม่ได้มันก็ดีนะแต่มีสิ่งที่ดีกว่านั้นมาปฏิบททัติธรรมไฟกําลังไหม้สีาษะแล้วทําไมถึงไม่รีบปัดมัวไปทําอย่างอื่นอยู่ บอกว่าคุณลองทำอย่างนี้สิคุณลองทำตัวเมืน่อคนพิการบ้างสิคนพิการเขาไม่ต้องทำอะไรนะเขาทำไม่ได้อลองทาดูสิแม้คุณจะขยันเรื่อยไปหละคนพิการก็ต้องทำงานเหมือนกันแต่ทำความรู้สึกตัวเป็นงานหลักทำตรงนี้ก่อนสิมันจะได้ไม่ต้องไปขยันทาสิ่งอื่น <c oughs> ก็แนะนำเข้าไปนะให้เห็นประโยชน์อุตส่าออกจากบ้านเรือนไปอยู่วัดแล้วไปทำอะไรกันใช้วัดไม่เป็นประโยชน์เลย ใช้วัดไปทำงานอยู่บ้านก็ทำได้ทำไมไม่ไปฝึกทำกจิตทาใจให้มันพ้นทุกข์ล่ะผมเองก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยเพราะความทุกข์บีบคั้นให้ชีวิตต้องหันเหมาอยู่บนเส้นทางธรรมชีวิตมันถูกบังคับเลี้ยวอะถูกบังคับเลี้ยวให้มาปฏิบททัติธรรมอย่าดีทำที่ขับรถเนี่ยเห็นเราขับรถอยู่บนถนนรถติดนี่เราก็แซงซ้ายแซงขวาไปเข้าเลนที่ถูกบังคับเลี้ยวเข้า จึงจําเป็นต้องเลี้ยวถ้าไปจอดขวางไม่ยอมเลี้ยวแล้วก็เดี๋ยวข้างหลังบีบแต่สัเนเสริญเจริญพรถูกบังคับเลี้ยวบางทีเลี้ยวไปหลงกว่าจะเข้าเส้นทางเดิมเนี่ยบางทีก็นานแต่ผมนี่โชคดีถูกบังคับเลี้ยวแบบไม่หลงนะเลี้ยวอยู่บนเส้นทางธรรมะเลยได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาชีวิตได้มีทักษะมีประสบการณ์ได้พบผลทางความดับทุกขเลี้ยวเลี้ยวแบบไม่หลงทาง เลี้ยวไปลงขวดเล่าแล้วก็ติดแนวใบยมุกมันก็ตกเอบาบยภูมท่าเองมันเลี้ยวดีนะเลี้ยวแบบเนี้ยเลี้ยวสู่บนเส้นทางธรรมถากว่าไม่ได้อยู่บนเส้นทางธรรมเนี่ยไม่รู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรนะอาจจะไม่ยืนยาวถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พอเลี้ยวบนเส้นทางธรรมแล้วก็คือการมาเจริญสติเนี่ยนอนเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนอนพลิกมือเล่นอยู่ที่บ้านน่รู้สึกตัวอยู่การเคลื่อนไหวอ ย, อย่างเงี้ยรู้กายไปอย่างนี้แหละ วัาหกเจ็ดชั่วโมงนะทำวัาพลิกมือรู้สึกตัวมือขวาบ้างมือซ้ายบ้างไงรู้สึกตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยมันจะหลงไม่ก็ห ล, ลงกลับมารู้ใหม่ไม่ได้สนใจความคิดอะไรวันาหกเจ็ดชั่วโมงแต่พอประมาณทั้งหนึ่งเดือนเนี่ยมันเกิดผลเลยหนึ่งเดือนทำความรู้สึกตัวรู้กายไปอย่างนี้แหละไม่สนใจความคิดหนึ่งเดือนมันเกิดผลขึ้นมาเพราะสติมันเต็มรอบ มันก็เห็นกายเห็นจิตมันแยกรูปแยกนามเห็นกายส่วนหนึ่งออเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตที่รู้ส่วนหนึ่งเห็นความคิดที่มันเลือนลางยังไม่ชัดเจนมันแตกขันห้ากระจายเป็นกองๆไปเลยมันเห็นพราสติมันเต็มรอบแล้วมันเห็นได้เหมือนกันนะเข้าสู่ความรู้สึกตัวเกิดภาวะที่ดูขึ้นมา พอเห็นว่ามันไม่มีตัวเรานะมีรูปมีนามมีเวทนามีจิตมันไม่มีตัวเราพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจิตมันไม่ค่อยมั่นคงละมันเกิดความคิดแทรกเข้ามาละกลัวกลัวกล้ากล้าเบิงเบิงวางว่งมันไม่มีตัวเราหาตัวเราไม่เจอเนี่ยมันสงสัยมันสงสัยแล้วเนี่ยมันยังไม่รู้ทันความคิดรู้ไม่ทันความคิดมันเป็นวิปัสนาเลยวิปัสนาคือหลง ในความรู้คิดว่าเรารู้นะโอ้นี่มันแยกเป็นกองๆความสงสัยต่างๆเต็ไมไปหมดเลยมันหลงในความรู้แต่ยังหาตัวไม่เจอหลงในความคิดนั่นเองรู้ไม่ทันมันสงสัยพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์แต่ผมอยู่ที่บ้านนะครสวรรค์ หลวอพ่อคำเขียนอยู่ชจยภูมิอยากจะถามท่านก็ถามไม่ได้อเขียนจดหมายส่งไม่ได้เพราะน้ำท่วมบ้านขาดการติดต่อเอาจดหมายวางไว้ก่อนอจรตสติรู้ ก, กายไปก่อนรู้ ก, กายเคลื่อนไหวไม่สนใจมันก็มีอาการแบบนี้แบบมันหาตัวไม่เจอพลิกมือไปเรื่อยมันเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาว่าภาวะที่สลัด สลัดอารมณ์ในการกลับมาเป็นผู้ดูเลยดูเห็นไม่เข้าไปเป็นโอ้เนี่มันไม้เด็ดของหลวงพ่อเนี่ยจับไม้เด็กของหลวงพ่อมาใช้ดูแล้วเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นดูแล้วเห็นเนี่เป็นวิปัสนาแล้วไม่เข้าไปเป็นเ น, นี่ย เ, เ, เ, เป็นผลนะโอ้เลยหลุดมาตรงเนี้ยตรงไม้เด็กของหลวงพ่อเนี่ยโดยที่หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบมาเลยนะ เราทาไปเราสงสัยอย่าเพิ่งถามทำไปเรื่อยๆมันได้คำตอบเป็นคำเฉลยจากหลวงพ่อว่าดูแล้วเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นที่หลวงพ่อเคยนําไปใช้แก้ปัญหาคนอื่นก็มาใช้กับเราได้ตั้งแต่นั้นมาต้นมาเนี่ยมันเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นคนพิการไม่เป็นอาจารย์กําพลไม่เป็นพระอริยะไม่เป็นเทวดาไม่เป็นพรหมไม่เป็นอะไรทั้งนั้นและเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไร มันอยู่แบบทําหน้าที่เท่านั้น <g ười> ทำหน้าที่พร้อมเลิกเป็นคนไม่มีอนาคตเก็บเอาอนาคตมาใช้หมดแล้วมีแต่ปัจจุบันมันสบายนะไม่เป็นอะไรเนี่ยมันไม่พลุงพลังนะเป็นอะไรก็พลุงพลังนะไม่เป็นอะไรอยู่เพราะทําหน้าที่แล้วก็พร้อมเลิกพร้อมจบชีวิตมันสบายๆมันไม่ต้องไปพลุงพลังกับอะไรทุวนเนี่ยก็อยู่แบบไม่เป็นอะไรสบายเลย มันเริ่มจากสภาวธรรมที่ดูแล้วเห็นแล้วไม่เป็นเป็นไม้เด็กของพ่อเนี่ยมนใช้ได้ตลอดชีวิตเลยสบายเลยอันนี้เป็นประสบการณ์มันก็ได้ความรู้จากการปฏิบัติเนี่ยได้ความรู้ได้ทักษะได้ประสบการณ์จึงมาแบ่งปันกันว่าไอ้ความคิดเนี่ยที่ทุกคนต้องคิดทั้งเจตนาคิดและไม่เจตนาคิดถ้ามันคิดขึ้นมาเนี่ยเรา อย่าไปให้ความสาคัญมั่นหมายกับมันให้รู้มันถ้าเราไม่ให้ความสาคัญนั่นหมายความคิดมันก็จะดับไปเองโดยธรรมชาติการไปตามดูความคิดเท่ากับไปให้ความสาคัญมั่นหมายของมันนะมันก็ยิ่งใหญ่ในจิตใจเราเลยการไปตามดูเนี่ยเราตามดูอะไรสิ่งนั้นก็มีความหมายในใจเราเมื่อมันไม่เกิดก็อย่าไปรู้มันเลย พอมันเกิดก็รู้มาแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่าไปตามดูเราตามดูความคิดมันก็ยิ่งคิดเอ๊ะทไมยิ่งดูยิ่งคิดเพราะเราไปให้ค่าให้ความสำคัญกับมันตามดูความคิดมันก็ยิ่งคิดดูความคิดเหมือนดูคนบ้านะเคยดูคนบ้าไหมผมเคยดูนะอ๋อคนบ้าเนี่ยเวลาเราไปเห็นมันปั๊บเนี่ยเราก็ดูอ๋อนี่คนบ้าพอคนบ้ารู้ว่าเราดูเขา มันเริ่มมีความหมายเรามีความหมายกับเขาเขามีความหมายกับเราต่างคนต่างดูกันคนบ้ามันก็แสดงโชว์ดิร้องเพลงโชว์เต้นลัมทาท่าโทรศัพท์ทําท่าแอคชั่นต่างๆมันแสดงโชว์ไอ้เราก็ดูมันเพลินมันก็แสดงโชว์ให้เราดูเพลินมันหมดเรื่องโชว์เดี๋ยวมันก็แก่ผ้าโชว์เพราะเราไปตามดูคนบ้ามันตามดูความคิดมันก็คิดเป็นเรื่องเวลาเป็นละครบทยาว หาที่อวาสานไม่ได้เพราะเราไปให้ค่ายความสำคัญมันอย่าไปตามดูมันเพราะรู้เห็นแล้วก็ยิ่งไปรู้เรื่องราวของมันเนี่ยยิ่งยาวไม่จบเรื่องความคิดอยากให้ความสำคัญมันหมายกับมันก็จบไปง่ายเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับมันได้เราอยากให้มันสงบ มันก็ไม่สงบเพราะมันมีความอยากจึงทำให้จิตไม่สงบไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดเมื่อมันคิดก็อยากให้มันคิดดีๆที่เป็นกุศลแต่มันก็ไม่คิดอย่างที่เราอยากมันคิดทีไรเราเจ็บทุกทีเรามาเจอสติอยากให้สติรู้บ่อยๆเกิดบ่อยๆแต่มันก็ไม่เกิดแต่ว่าเรื่องของจิตเนี่ยเรากคุมไม่ได้เขาเรียกว่าอะนัตตาเพราะฉะนั้นเรา เลิกเชื่อมันสัทีอย่าไปเชื่อมันรู้มันเห็นมันอย่าไปเชื่อมันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นมันเป็นไม้เด็กของหลวงพ่อเนี่ยลองใช้ดูสิเรื่องของกายก็เหมือนกันนะเนี่เรื่องของกายอยากมันหน่อยเราก็ไม่อยากป่วยไข้แต่มันก็ป่วยป่วยแล้วอยากให้หายมันก็ไม่หายแสดงว่ามันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันบังคับบัญชาไม่ได้ก็เลิกจิตมั่นถือมันเขาสัทีหนึ่งกายกับจิตเนี่ย เราไม่สามารถจะบังคับควบคุมมันได้แต่ถ้าเรารู้จักยอมรับมันได้แล้วก็ใจก็จะสบายที่เป็นทุกข์เพระเราไม่ยอมรับกายกับจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของหนักที่เราแบกเอาไว้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปัญญาสามารถปล่อยวางของหนักลงได้ใจก็จะเบาสบายพวกเองก็รู้นะ เร่อแบบนี้สมัยที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะอ่านแล้วเหมือนจะเข้าใจเรื่องจิตว่างเนี่ยโอ้มันว่างว่างจากตัวตนกายก็ว่างจากตัวเราเวทนาก็ว่างจากตัวเราจิตก็ว่างจากตัวเรามันว่างทั้งหมดเลยตอนนั้นอารมณ์ไม่กระทบมันก็ว่างมันเข้าใจนะแต่เวลามีใครพูดผิดหูดิมันฉุนกึกเลย มันฉุนมันอยู่ในใจนะเราก็บมันต้องว่างจากตัวตนดิไอความโกรธไม่ดีมันไม่มีตัวตนหรอกมันต้องว่างธรรมะมันเฉียดใจอะมันไม่เข้าถึงใจอะมันก็ว่างไม่ได้ทำไมจึงว่าไม่ได้แม้ว่าเราฟังแล้วเข้าใจแล้วมันเกิดจากสัญญาใจเราสัญญาใจเราที่มันยึดมั่นตึงมั่นตัวตนเนี่ยมันไม่ขาดถ้าสัญญาใจเรามันขาดแล้วก็ จิตมันก็หลุดได้ความเป็นตัวเป็นตนมันไม่ขาดใช่ไหมพออารมณ์มันฉุนกึ้คือมานี่มันก็เป็นตัวเราอยู่เดียร์ละล้วนมันคืออารมณ์นะมันไม่ใช่ตัวตนนะโกรธไม่ดีนะตกตะลกนะแต่มันก็มันไม่ขาดสัญญาใจไม่ขาดมันก็ยึดติดอยู่ล่ําไปใช่ไหมเพราะมันก็เข้าใจแบบนั้นพอเริ่มสนใจธรรมะเนี่ยเหมือนเราจะหลุดพ้นละแต่พอมีอารมณ์กระทบเนี่ยวะเรายังไม่ยังไม่พ้นเนี่ยมันยังไม่เป็นสันิติโก สันติโกนี่ก็หมายถึงว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติเนี่ยพึงเห็นได้ด้วยตนเองต้องเห็นได้ด้วยตนเองต้องสัมผัสสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้มันต้องมีประสบการณ์มีทักษะต้องเรียนรู้จากสภาวธรรมที่ขื้นในตัวเราเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์ไงฟังแล้วก็าเพึงเชื่อเต็มร้อยลองพิสูจน์ดูก่อนใช่ ไ, ไการพิสูจน์นี้ก็ง่าย ก็คือการมาเจริญสตินี่แหละมาปฏิบัติธรรมมากลับเอาธรรมะเข้ามาสู่ตัวเรามาเจริญสติเนี่ยให้มันต่อเนื่องให้จิตมันตื่นพอจิตมันตื่นแล้วมันจะไปเห็นความคิดเห็นจิตเห็นใจให้จิตมันตื่นจึงต้องมีการปฏิบัติไปก่อนการปฏิบัติก็คือการเจริญสติทั้งนอกรูปแบบและก็ในรูปแบบ นอกรูปแบบก็คือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละนอกรูปแบบนะจะนั่งก็รู้สึกตัวจะเดินก็รู้สึกตัวจะกินก็รู้สึกตัวจะทำงานก็รู้สึกตัวจะนอนก็รู้สึกตัวเติมความรู้สึกตัวลงไปเวลามันคิดก็รู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตใจมันคิดก็รู้สึกตัวจะคิดแนวลมได้ก็ตาม รู้สตัวแล้วก็ทิ้งๆแต่การทำนอกรูปแบบในชีวิตประจาวันเนี่ยเหมือนอย่างเรากาลังเข้าสนามรบกำลังรบไม่ต้องเรียกหาครูบาอาจารย์แล้วขึ้นสนามก็ต้องรบอย่ามัวเปิดตำลาลบดูมันหลงปะหลงก็รู้สึกมันหลงไปแล้วมันต้องกล้าเผชิญหน้าด้วยความรู้สตัวต้องรบแต่บางคนบอกว่าเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยทำไมเราจึงหลงลืม ทำไมสติไม่ค่อยเกิดทำไมจึงหลงนานทำไมจึงฟุ้งซ่านมากเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าขาดการที่ทำในรูปแบบบ้างขาดการปฏิบัติในรูปแบบจิตเราเนี่ยยังไม่มีเครื่องอยู่งนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบบ้างการรู้ลมหายใจการเดินจงกรม การเคลื่อนไหว14จังหวะแบบลูกว่าเทียนหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้รู้สึกตัวไปกับกายเคลื่อนไหวการทำในรูปแบบเนี่ยมันทำให้เราทำได้ต่อเนื่องให้สติมันเข้มแข็งเพราะเป็นการรู้สึกล้วนๆไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเราต้องมีโอกาสปลีกตัวคาว่าปลีกตัวนี่ไม่ต้องไปไหนไกลหรือไม่ต้องไปเข้าคอสคือหาโอกาสหาเวลาให้กับตัวเอง แล้วแต่เราจะจัดสรรโอกาสเพื่อทำในรูปแบบเป็นการสร้างพลังสติให้มันเข้มแข็งซ้อมเอาไว้เอาไว้ไปเชิญกับชีวิตจักรวาลเรามันจะต่อเนื่องกันจะสอดคล้องกันระหว่างในรูปแบบกับนอกรูปแบบพอทำในรูปแบบแล้วมันเข้มแข็งแล้วทำนอกรูปแบบในชีวิตจักรวมันก็เข้มแข็งและพอเอามาทำในรูปแบบมันก็เข้มแข็ง มันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่มีช่องว่างเขาจะบอกว่าเวลาศึกเรารบเวลาสงบเราซ้อมเตรียมพร้อมไม่ประมาท ก, การปฏิบัติต้องไปอย่างนั้นแต่ต้องทาเล่นๆถ้าจะทำต้องทำเล่นๆ ท, ท, ทำแบบผ่อนคลายใครที่มีลูกถ้าเราดูลูกเราเครียดไหมถ้าเราสอนลูกเราเครียดไหมดูก็เครียด สอนก็เครียดนะแต่ถ้าเราเล่นกับลูกล่ะเล่นกับลูกอย่ามีสาระมันไม่เครียดการปฏิบรรรรตัติทำการเจรติต้องทำแบบเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆทำแบบผ่อนคลายอย่าทำแบบเอาเป็นเอาตายมันจะเครียดเพราะว่ามีความอยากจนมากเกินไปทำแบบผ่อนคลายอย่าเอาเป็นเอาตายมันจะไม่มีความอยากผสมมันจะได้ไม่ยึดมั่นถือมัน เมื่ออย่าเราคลายเกลียวน็อตเนี่ยคนที่ not, คลายเกลียวน็อตมคลายคลายมีแต่จะหลุดสบายเลยผ่อนคลายแต่ถ้าขันนะ่ะโอ้ขันนี่มันเครียดการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทําแบบคลายเกลียวน็อตอย่าไปขันเกลียวน็อตเพราะธรรมะเนี่ยทำเพื่อปล่อยวางไม่ทำเพื่อยึดมั่นถือมั่นยิ่งทํายิ่งคลายยิ่งสบายใจทุกข์ลดเนี่ยมันถูกต้อง ถ้ายิ่งทํายิ่งเครียดจะเอาให้ได้จะรู้ให้ได้เนี่ยมันยึดมั่นที่มันขอให้เรามีความเพียรสักหน่อยอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนความไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยอะไรที่มันไร้สาระก็เลิกซะบ้างอะไรที่ทําแล้วมันทําให้สติแตกหรือเสียควา ม, มรู้สึกตัวไปควรจะงดซะอะไรที่เนิ่นช้าไม่ใช่เรื่องดับทุกข์อย่าไปสนใจเลยยิ่งดีมันเสียเวลาเนิ่นช้าเสียเวลา มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงตรง่อตนเองเดี๋ยวผลการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหวังไงนะ